จเจรรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลิ่มใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอังคารที่10สิงหาคมพุทธศักราช2553 เป็นวันพระวันธรรมสวนะวันบำเพ็ญบุญบา ร, รมีทั้งสิบประการได้แก่ทานบา ร, รมีเช่นทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานศีลบา ร, รมีคือการถือศีลศีลห้าเนกัมมะบาร ม, รรมีคือการออกบวช คือการถือศีลแปดไม่หาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสแต่จะหาความสุขทางความสงบของจิตใจอธิษฐานบา ร, รมีก็คือความตั้งใจวันนี้มีความตั้งใจถึงได้มาวัดถ้าไม่ได้ตั้งใจไว้ถ้ามีใครมาชวนให้ไปที่อื่น ก็จะไปกับเขาก็จะไม่ได้มาวัดแต่ถ้าได้ตั้งใจไว้แล้ว <c oughs> ว่าจะมาวัดก็จะมาได้เรียกว่าอธิษฐานบา ร, รมีคือการตั้งเป้าการตั้งจุดหมายปลายทางตั้งใจว่าจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าไม่ตั้งก็เป็นเหมือนเรือ ที่ไม่มีหางเสือหรือรถที่ไม่มีพวงมาลัยมันก็จะวิ่งไปตามประศรีภาษาของมันแต่ถ้ามีพวงมาลัยก็จะสามารถควบคุมบังคับให้รถไปสู่จุดหมายปลายทางได้ฉันใดชีวิตของเราก็เป็นเหมือนรถเหมือนเรือที่ต้องมีหางเสือต้องมีพวงมาลัยไว้คอย ควบคุมให้รถและเรือนี้วิ่งไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราปรารถนากันทุกคนต้องการความสุขและความเจริญการมาวันนี้แหละเป็นการมาสร้างความสุขความเจริญที่แท้จริงดังนั้นเราจึงต้องมีอธิษฐานบา ร, รมีคือเราต้องตั้งใจว่าทุกวันพระ หรืออย่างน้อยอาทิตย์นึงก็ต้องมาวัดสักหนึ่งครั้งถ้าตั้งใจไปแล้วก็จะได้มีเป้าหมายให้เราได้ติดตามแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องมีเราก็ต้องสร้างสัจจะบาลีคือเวลาเราตั้งใจอะไรแล้วถ้าเรายังไม่มีสัจจะบาลีเราอาจจะเปลี่ยนใจได้เช่นอาจจะมีธุระ รีบร้อนที่จะต้องไปทำก็จะเปลี่ยนใจวันนี้ไม่ต้องมาวัดไปทำธุระก่อนแต่ถ้าเรามีสัจจะบารามีมีความจริยใจต่อความตั้งใจของเราถึงแม้จะมีธุระรีบร้อนอย่างไรก็จะไม่ไปเพราะตั้งใจไว้แล้วว่าจะมาวัดคนที่มีสัจจะแล้วก็มีอธิษฐาน จะต้องทำในสิ่งที่ตนเองตั้งใจเอาไว้เช่นพระพุทธเจ้าตอนที่ประทับอยู่ใต้โคนต้นโพก่อนที่จะทรงตัดสัตว์รู้พระองค์ hmm. ก็ทงตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ว่า mm hmm. จะนั่งอยู่ตรงนี้จนกว่าจะตัดสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้ายังไม่ได้ตัดสรู้ แม้ร่างกายนี้เลือดในร่างกายนี้จะเหือดแห้งไปร่างกายนี้จะตายไปก็จะไม่รูบจักที่นั่งอันนี้ไปโดยเด็ดขาดนี่แหละความสําคัญของอธิษฐานและสัจจบา ร, รมีจะทําให้เราสามารถทําในสิ่งที่เราปรารถนาได้และได้รับผลที่เราปรารถนากันได้เช่นพระพุทธเจ้าของพวกเราทรงเจริญ อธิษฐานและสัจจะบารมีจนแก่กล้าจนสามารถเอาชนะมารที่จะมาคอยหลอกลอก่อให้พระองค์ทรงลุกจากที่ประทับไปนี่คือความสำคัญของอธิษฐานบารมีและสัจจะบารมีนอกจากนั้นแล้วก็ยังต้องมีวิริยะบารมีคือความอุตสาหะภาคเพียร ความพยายามเราตั้งใจจะมาวัดแล้วฝนตกแดดออกเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าไม่สุดวิสัยก็จะตะเกียกตะกายมาให้ได้คือมีความภาคเพียรมีความมุมมนะมีความอุตสาหะถึงจะมาได้ถ้าไม่มีวิริยะความอุตสาหะความภาคเพียรพอเจ็บท้องหน่อยปวดศรีรษะหน่อย ก็เลยผ่านไม่มาเลยก็ได้แต่ถ้ามีวิริยะบารมีแล้วจะต้องมาให้ได้ฝนตกแดดออกน้ำท่วมถ้าไม่สุดวิสัยจริงๆก็จะมาวัดตามที่ได้ตั้งใจเอาไว้เรียกว่าวิริยะบารมีเพราะว่าความสำเร็จทั้งหลายนี้เกิดขึ้นจากความพยายามนี้เองความพยายาม อยู่ที่ไหนความสาเร็จอยู่ที่นั่นหรือในพุทธภาษิตได้ทรงตรัสไว้ว่าหลุดพ้นได้ด้วยความเพียรพวกเราจะหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้จะต้องหลุดพ้นด้วยวิริยะบารมีความภาคเพียรความขยันนี่คือความสําคัญของวิริยะบารมีที่ญาติโยมวันนี้ก็ได้สร้างกัน เต้องมีความพยายามถึงมาถึงที่นี่ได้ในวันนี้และหลังจากนั้นก็ยังต้องมีขันติบารมีต้องมีความอดทนต่ออุปสรรคต่างๆขับมารถอาจจะติดยางอาจจะแตกหรือมีอุปสรรคอะไรต่างๆที่ทำให้รู้สึกยากลำบากแต่ก็ไม่ย่อถอยไม่ท้อแท้ย่อ ยอดถอยไม่ยกเลิกมาด้วยความอดทนมาด้วยขันติเมื่อมาถึงวัดก็อดทนรอทำพิธีกรรมต่างๆตัด บ, บาทาแล้วก็ทำพิธีกรรมกล่าวคำถวายทานขอสิ่งแล้วก็ต้องอดทนนั่งฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อจะได้ให้ได้ปัญญาบา ร, รมีปัญญาบา ร, รมีก็คือความรู้ ในคําสอนของพระพุทธเจ้าเช่นรู้ในอริยสัจสี่รู้ทุกสมุทัยนิโรธมักถ้าใครรู้อริยสัจสี่และสามารถปฏิบัติตามสิ่งที่รู้ได้ก็จะบรรลุเป็นพระอริยเจ้าได้นี่คือปัญญาบารมีที่พวกเรากำลังบำเพ็ญกันด้วยขันติบารมีคือความอดทน นั่งฟังไปฟังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ไม่เป็นไรการฟังธรรมในแต่ละครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าจะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ยินได้ฟังเพราะปัญญาของเรานี้อาจจะมีมากน้อยไม่เท่ากันคนที่มีปัญญามากก็เป็นเหมือนคนที่มีภาชนะรองรับน้ำได้มาก ถ้าคนที่มีภาชนะที่รองรับน้ำได้น้อยก็จะรับน้ำได้น้อยเช่นถ้ามีแก้วก็รับได้เพียงแก้วเดียวถ้ามีขันก็รับได้ขันหนึ่งถ้ามีถังมีกระแป้งก็รับได้ทั้งถังทั้งกระแป้งถ้ามีแทงน้ำทั้งแท ง, ทงนรือตุ่มน้ำก็จะรับได้ทั้งตุ่มทั้งแทงฉันใดปัญญาบา ร, รมีของแต่ละท่านก็ เป็นเช่นนั้นมีความมากน้อยต่างกันได้บางเพนปัญญาบารมีมามากน้อยต่างกันดังนั้นเวลาฟังเทศฟังธรรมแต่ละครั้งจึงรับได้มากน้อยไม่เท่ากันคนที่มีมากนี้ก็รับได้มากก็จะได้อนิสงส์มากเช่นในสมัยพระพุทธการที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงพระธรรมเทศนาครั้งแรก ให้แก่ภาะปัจจาวคีทั้งหหลังจากที่ทรงแสดงทาเสร็จแล้วปรากฏมีพระ อ, อัญญาโกนธัญะญรูปเดียวที่บรรลุปเป็นพระโสดาบันขึ้นมาได้จากการฟังธรรมเพราะปัญญาของพระ อ, อัญญาโกนธัญะญมีมากกว่าพระปัจจาวคีสี่รูปอื่นนี่คือความแตกตา่าง ของบุญบารมีที่พวกเราได้บาเพ็ญกันมามากน้อยต่างกันบางท่านวันนี้ฟังแล้วก็อาจจะเกิดปัญญาสามารถที่จะตัดกิเลสความโลภความโกรธความหลงได้บางท่านฟังแล้วก็ยังอาจจะไม่สามารถตัดได้เพราะปัญญายังไม่มากพอนั่นเองนี่คือ เรื่องของปัญญาบารมีนอกจากปัญญาบารมีแล้วก็เมตตาบารมีวันนี้ญาติโยมมาวัดมาด้วยความเมตตาไม่ได้มาด้วยความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทใครแต่มาเพราะมีความปรารถนาดีมีไมตรีจิตต่อผู้อื่นอยากจะให้ผู้อื่นมีความสุขอยากจะให้ผู้อื่น หลุดพ้นจากความทุกข์เนี่ยอันนี้เรียกว่าเมตตาบรารมีผู้ที่มีเมตตาบรารมีนี้ใจจะมีความล่มเย็นเป็นสุขเวลาตื่นก็ดีหลับก็ดีจะมีความสุขเวลานอนหลับก็ไม่ฝันร้ายแล้วก็จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนี่คือ อันนีสงของเมตตาบารมีจะทำให้ได้ไปสู่สุขติเวลาตายไปแล้วนี่คือเมตตาบารมีส่วนบารมีอีกข้อหนึ่งก็คือเนคขมมะบารมีคือการทำใจให้เป็นอุเบกขาให้ปล่อยวางไม่ให้ยึดไม่ติดไม่ให้ยินดียินร้ายกับเรื่องราวต่างๆ อุเบกขาบารมีนี้ก็เกิดจากการที่เรามาทำจิตใจให้สงบเช่นนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระฟังเทศน์ฟังธรรมใจก็จะเย็นใจจะสบายใจจะสงบแล้วก็จะไม่ลำคาญกับสิ่งต่างๆที่เห็นหรือที่ได้ยินจะรู้สึกเฉยๆใครจะทำอะไรก็เรื่องของเขา ใครจะพูดอะไรก็เรื่องของเขาเราทำใจเราให้สบายดีกว่าทำไมเราต้องไปทุกข์ร้อนกับเรื่องของคนอื่นทำไมเกิดประโยชน์อะไรไม่เกิดประโยชน์มีแต่สร้างความทุกข์ให้กับตัวเองเปล่าๆคนอื่นจะดีก็เป็นเรื่องของเขาคนอื่นจะชั่วก็เป็นเรื่องของเขาเราอย่าไปชั่วกับเขาด้วยการมีความโกรธมีความเกลียด มีความอิดช้าวิสยาคนอื่นดีเราก็อิดช้าลิสยาก็ทำให้ใจเราร้อนคนอื่นไม่ดีเราก็ไปโกรธไปเกลียดใจก็เราร้อนอีกไม่ได้ประโยชน์อะไรจากความดีความชั่วของคนอื่นเราต้องปล่อยวางเรื่องของคนอื่นให้มาดูใจของเราเป็นหลักเพราะใจของเราเป็นที่ตั้งของความสุขและความทุกข์ของเรา ถ้าเราไม่ดูแลใจเราเราก็จะมักจะสร้างความทุกข์ให้กับใจมากกว่าสร้างความสุขดังนั้นเราต้องมาดูแลใจด้วยการฝึกทําใจให้สงบให้เป็นสมาธิให้เป็นอุเบกขาถ้าใจเป็นอุเบกขาแล้วต่อไปจะไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายกับเรื่องของคนอื่นคนอื่นจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เดือดร้อน ใครจะเกิดก็ไม่ดีใจใครจะตายก็ไม่เสียใจเพราะมันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เป็นเรื่องของเราแม้แต่ร่างกายของเราจะแก่จะเจ็บจะตายก็จะไม่เดือดร้อนเพราะร่างกายก็ไม่ใช่เรื่องของใจใจกับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันร่างกายก็เป็นร่างกายใจก็เป็นใจใจก็อยู่ส่วนใจร่างกายก็อยู่ส่วนของร่างกาย ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ห้ามไม่ได้ก็ต้องปล่อยเขาเปไปไปถ้าช่วยเหลือดูแลได้ก็ดูแลกันไปพาไปหาหมอหายามมารับประทานได้ก็ทำไปแต่ถ้าทำแล้วมันไม่หายมันจะตายก็ต้องปล่อยให้มันตายไปแต่ใจจะไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องหวาดกลัวไม่ต้องทุกข์ถ้ามีอุเบกขาบารมี ถ้าวางใจให้เป็นกลางได้ไม่ให้รักไม่ให้ชังไม่ให้ยินดีไม่ให้ยินร้ายก็จะต้องปล่อยวางจะต้องฝึกสมาธิอยู่เรื่อยๆทำจิตใจให้สงบให้มากๆแล้วก็จเจริญปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ในโลกนี้มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถ้าเราไปยึดไปติดแล้วเราจะต้องทุกขกับเขาทันที ถ้าเราไม่ยึดไม่ติดปล่อยวางเขาเราจะไม่ทุกข์เขาจะดีเราก็ไม่ทุกข์เขาจะร้ายเราก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าเราไปยึดไปติดแล้วเวลาเขาดีเราก็อิจฉาเขาเวลาเขาไม่ดีเราก็โกรธเกลียดเขาเราก็ทุกข์ท่านั้นเองเพราะความอิจฉาก็ทาให้ใจเรารุ่มร้อนความโกรธความเกลียดก็ทำให้ใจเรารุ่มร้อนแต่ถ้าเราเป็น กลางเป็นอุเบกขาใจเราก็จะเย็นสบายนี่คือบารมีทั้งสิบ ท, ที่ญาติโยมได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้ในวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งบารมีที่สำคัญที่จะพาให้เราเก้าวหน้าไปได้ก็คือเนธขมมะบารมีเนธขมมะบารมีนี้แปลว่าการออกบวชหรือการตัดความสุข ทางรูปเสียงกลิ่นรสผดพภพะความสุขทางตาหูจมูกลื่นกายวันนี้จะไม่หาความสุขทางทางรูปเสียงกลิ่นรสแต่จะหาความสุขทางใจด้วยการทำจิตใจให้สงบฟังเทศฟังธรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมด้วยสติให้มีสติรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายทุกขณะ ควบคุมใจไม่ให้ไปที่อื่นให้อยู่กับที่ร่างกายร่างกายกำเดินกำลังเดินก็ให้จิตรู้ว่ากำลังเดินร่างกายกำลังอาบน้าก็ให้รู้ว่ากำลังอาบน้ากำลังรับประทานอาหารกำลังซักเสื้อผ้าหรือกำลังทมกาลังฟังเทศฟังธรรมก็ให้อยู่กับกิจการนั้นๆกิจกรรมนั้นๆไม่ให้ใจไปคิดเรื่องอื่นไม่ให้ไปคิดถึงบ้าน คิดถึงที่ทำงานคิดถึงเรื่องต่างๆที่ไม่ใช่อยู่ในปัจจุบันนี้ให้ใจอยู่ในปัจจุบันถ้าใจถูกนึงไว้เรื่อยๆแล้วต่อไปใจจะไม่ลอยใจจะนิ่งเวลาทำจิตให้สงบก็จะง่ายเวลาให้ใจอยู่กับพุทโธพุทโธก็จะไม่ลอยไปลอยมาแล้วถ้าไม่ลอยไปลอยมาไม่นานก็จะรวมลงเข้าสู่ความสงบ พอเข้าสู่ความสงบแล้วก็จะพบกับความสุขอันมอันมหัศจรรย์ที่เราไม่เคยพบมาก่อนที่จากการได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้สู้ความสุขทางความสงบของใจไม่ได้ดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่านัตติสันติป ร, รังสุขขังสุขอื่นที่จะเทียบเท่ากับความสุข ของความสงบของใจนี้ไม่มีอย่าไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมันไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงนอกจากไม่เป็นความสุขที่แท้จริงแล้วยังเป็นความทุกข์ด้วยเพราะเป็นความสุขแบบเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเวลาได้กินเหยื่อก็ได้กินนิดเดียวแต่ ต้องพุบเอาเบ็ดมาติดไว้ที่คอด้วยความทุกข์ทรมานจากการถูกเบ็ดเกี่ยวคอนี้เป็นอย่างไรคิดดูความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสก็เป็นแบบนั้นเวลาได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่เราชอบก็มีความสุขแต่เวลาที่ไม่ได้สัมผัสก็กจะมีความรู้สึกเศร้าส้อยงงงงงหรือถ้าเวลาสูญเสียสิ่งที่รักไปก็จะเกิดความ เศร้าโศกเสียใจอะไร อ, อววรกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปนี่คือความทุกข์ที่จะตามมาถ้าเราแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เรียกว่ากางวสุขเราต้องมาหาสันติสุขความสุขที่เกิดจากความสงบของใจจะได้สันติสุขก็ต้องสละความสุขทางกลาง ทางรูปเสียงกลิ่นรสอย่างผู้ที่มาถือศีลแปดหรือบวชเป็นพระเป็นภิกษุสา ม, มนเณรอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่กำลังเจริญในขัมมะบารมีกำลังบำเพ็ญความสุขทางจิตใจกำลังตัดความสุขทางตาหูจมูกล้นกายเช่นผู้ที่ถือศีลแปดก็จะไม่รับประทานอาหารเพื่อความสุขแต่จะรับประทานเพื่อ เพื่ออยู่รอดเท่านั้นเหมือนกับรับประทานยารับประทานไม่ต้องมากพอให้อยู่ได้รับประทานถึงเที่ยงวันนี้ก็มากพอแล้วบางท่านก็อาจจะรับประทานเพียงมื้อเดียวบางท่านก็อาจจะสองมือ้อแต่าจะ ก, กี่ครั้งก็ตามก็จะไม่ให้เกินเที่ยงวันไปแล้วหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็จะไม่รับประทานอาหารจนกว่าจะถึงวันใหม่ นี่ก็เป็นการตัดความสุขจากการเสบรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารเพื่อที่เราจะได้ไม่มาติดกับมันเพราะถ้าติดกับมันแล้วเวลาจะนั่งทำสมาธิทำใจให้สงบนี้เดี๋ยวมันก็อดทิดอยากจะกินไม่ได้อยากจะกิน เช่นตอนเย็นก็อยากจะรับประทานอีกแต่ถ้าพอถือศีลแปดแล้วก็จะรู้ว่าไม่รับประทานโดยเด็ดขาดเวลาทำสมาธิใจก็ไม่ต้องมาภวกวกภาวนาคิดอยากกับอาหารเราถึงต้องถือศีลแปดกันนอกจากนั้นการไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็จะทำให้เวลานั่งสมาธินี้ไม่ง่วงเหงาหงนอนถ้ายังรับประทานอาหารรุ้เย็นอยู่นี้ เวลานั่งสมาธิแล้วจะม่วงจะจะสับประหนกจะไม่ได้ผลถึงต้องมีความจำเป็นที่จะต้องลดการรับประทานหารลงไปคือให้รู้จักประมาณรับประทานพอประมาณอย่ารับประทานตามความอยากแต่ให้รับประทานตามความต้องการของร่างกายพอรับประทานแล้วรู้สึกอิ่มก็ให้หยุดดื่มน้ำแล้วก็พออย่า ก, กินต่อ ถ้ากินต่อแล้วมันไม่เกิดประโยชน์กับร่างกายหรือกับจิตใจแต่กับจะเป็นเหมือนกับของหนักที่จะท่วงความเจริญของจิตใจทำให้ใจไม่สามารถพัฒนาทำขั้นสูงเช่นสมาธิและปัญญาได้นี่คือเรื่องของการไม่ถือไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วส่วนสีนข้อสาก็เช่นเดียวกันก็เปลี่ยนจาก กามีสมิชาจารามาเป็นอพรรมจาริยาเวรมณีคือจะไม่หลับนอนกับใครทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นคู่ครองของตนหรือไม่ถ้าเป็นศีลห้าก็จะหลับนอนกับคู่ครองแต่จะไม่หลับนอนกับคนอื่นแต่ถ้าเป็นศีลแปก็จะไม่หลับนอนกับคู่ครองหรือคนอื่นวันนี้จะของดความสุขทาง การร่วมหลับนอนกันจะมาหาความสุขทางใจความสงบส่วนศิลข้อที่7ก็คือการละเว้นจากการหาความสุขจากการร้องล้ำทำเพลงดูหนังฟังเพลงหรือความสุขจากการแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่สวยที่มีสีสันสวยสดงดงามมี เครื่องสมมามีน้ำหอมไว้ให้ดมจะไม่หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นแต่จะหาความสุขจากการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมแล้วก็จะไม่หาความสุขจากการหลับนอนจะหลับเพียงเท่าที่ต้องร่างกายต้องการ วิธีที่จะหลับนอนตามความต้องการของร่างกายก็ให้นอนบนพื้นแข็งอย่านอนบนในบนนุ่นบนเบาะที่นาเพราะถ้าพื้นนุ่มแล้วมันจะนอนมากเกินไปถ้าร่างกายนี้เวลานอนบนพื้นแข็งเวลาได้พักพอแล้วก็จะตื่นขึ้นมาแล้วก็จะได้ลุกขึ้นมาปฏิบัติธรรมต่อเพราะเวลาของชีวิตเรานี้มันมีค่ามาก แล้วมันก็หมดไปหมดไปทุกขณะทุกเวลาทุกเวลาใดที่เราไม่ได้เอามาบำเพ็ญบุญบารมีก็เท่ากับเราเสียโอกาสไปอย่างนั้นเราจึงไม่ควรปล่อยโอกาสปล่อยเวลาอันมีค่าของชีวิตเราให้หมดไปกับการหลับนอนให้หมดไปกับการดิ่มให้หมดไปกับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ให้เราใช้เวลานิค่านี้มาสร้างบุญบารมีต่างๆเพื่อเราจะได้พัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นดังที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายได้ทรงพัฒนากันเพราะผลที่เกิดจากการได้พัฒนาจิตใจด้วยบุญบารมีนี้หาค่าเปรียดไม่ได้ฮะเป็นมีเป็ น, น เป็นคุณค่าที่สูงมากเพราะเป็นการทำให้จิตนั้นได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงทำให้จิตนั้นต้องไปไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปไม่ต้องไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายไปพัดเพ่าจากสิ่งที่รักไปประเชิญกับสิ่งที่ไม่รักไปผิดหวังกับเรื่องต่างๆนี่เป็น ผลที่จะได้รับจากการบำเพ็ญบุญบา ร, รมีจะได้เป็นเหมือนพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายและจะได้เป็นสรณะเป็นที่พึ่งของผู้อื่นต่อไปด้วยการบำเพ็ญบุญบา ร, รมีทั้งสิบประการนี้จึงขอฝากเรื่องของการมาวัดในวันพระนี้เพื่อมาบำเพ็ญบุญบา ร, รมีทั้งสิบคือ ทานบารมีศีลบารมีเนคขมบารมีอธิษฐานบารมีสัจจะบารมีวิริยบารมีขันติบารมีปัญญาบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีให้ท่านได้นาเอาไปพิพิจารณาและปฏิบัติเพื่อ